หินสายฟ้ายังอยู่ร อ, อ, อยังอยู่ยังมีเบอร์อีกเหรอวันนี้เป็น <c oughs> ไงรู้เรื่องไหมหลองข้อบอกตั้งแต่วันแรกนะถ้าไม่ดื้ออ่ายมีสองพวก น, นะพวกหนึ่งติดสมถะติดสมถะเนี่ยแต่แก้ยากนิดหนึงแต่ถ้าไม่ดื้อไม่เป็นไรนะอีกพวกหนึ่งพวกช่างคิด คิดมากคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารวิภาคศึกษาเปรียบเทียบภ า, าวนาแล้วหมดแต่ศึกษาเปรียบเทียบมันไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าไม่เลิกคิดหรือเพ่งเอาเพ่งเอานะก็ไปกดเอาไว้ไม่เลิกคิดก็คือฟุ้งซ่านหลงไปเพ่งเอาไว้กดเอาไว้นะทุกอย่างก็นิ่งๆเลยมากเกิดคิดว่านิ่งแล้วดีด้วยซ้าไป ฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านเสียเวลาคนกว่าทดลองอยู่นานนะกว่าท่านจะได้ธรรมะที่ง่ายๆออกมาทดสอบมากมายเฉพาะที่ได้รับทา ย, ยากรแล้วเนี่ยเป็นเวลาเสียอสงไขยแสนมาหากรับนานนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้อสงไขยหนึ่งก็ประมาณสิบกบกำลังร้อยห้าสิบรือร้อยสี่สิบเลยมีหลายตำราเหลือเกิน <c oughs> กับหนึ่งก็ตั้งแต่โลกเกิดโลกแตกใช้เวลาคนคว้ามากนะท่านจะคิดว่าทายังไงจะได้ทายังไงจะได้จยคนคว้าอย่างนี้จนถึงนาทีสุดท้ายไม่ทําอะไรนะนั่งนิ่งๆ น, นั่งดูมานมาเป็นกองทัพนั่งดูนะนั่งดูไปทีแรกละลึก ช, ชาติเนะี่ยยามต้นละลึก ช, ชาติไปก่อน อยากค้นคว้าหาต้นต้นต่อม่าเกิดมายังไงทําไมถึงเกิดมาได้ดูตัวเองไปทวนทวนทว น, ทวนไล่ไปเท่าไหร่นะก็ไม่จบสิน้นสารสารวัตรนี่ยืดเยือ้อหาที่ตั้งต้นหาสุดท้ายหาไม่เจอดูของท่านองค์เดียวแล้วไม่พอไม่ได้ความรู้อะไรเท่าไหร่นะดูคนอื่นอีกที่เรียกว่าจุตูปปาตยานรู้ความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายดูเข้าไปอีกก็ไม่เห็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายอะไร สุดท้ายท่านก็ทําใจสบายๆศึกษาลงมาจนเห็นปฏิจจสมุปบาทนเห็นอริยสัจนั่นเองอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่เพราะตัวเรามีก็มีกายมีใจนั่นแหละถึงมีความทุกข์ถ้าไม่มีกายมีใจก็ไม่มีความทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์อยู่ที่กายที่ใจท่านดูลงมันแล้วทําไมมันถึงมีกายมีใจขึ้นมาได้จิตมันเข้าไป ดิ้นรนทางานปรุงแต่งเข้าวไปยึดไปถือเันจะเกิดความรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราท่านค่อยๆพบส่วนไปนะโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่คิดเอาหลายคนคิดว่าพระพุทธเจ้า ค, คิดธรรมะธรรมะคิดไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าสติปัฏฐานเนเป็นทางสายเดียวทางสายเอกทางสายเดียวไม่อ น, นพระพุทธเจ้าเองก็เดินสติปัฏฐานเหมือนกันท่านจเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน รู้อริยสัจพอเห็นแจ้งอริยสัจนะก็ขํามบคข้าชาติได้พวกเราวันนี้ยังไม่เห็นแจ้งอริยสัจนะยังไม่เห็นเพราะอะไรอริยสัจบอกว่าทุกใช่ไหมเริ่มจากทุกขสัจอะไรคือทุกขันห้าคือทุกพวกเราไม่ได้เห็นจริงนะว่าขันห้าเป็นทุกเราเห็นได้แค่ว่าขันห้าเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างเราอยากสาคัญมั่นหมายว่าเราเข้าใจธรรมะนะคนละเรื่องเลย จำใดที่ยังเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างความดิ้นรนของจิตที่จะสแสวงหาความสุขความดิ้นรนของจิตที่จะหนีความทุกข์เนี่ยจะไม่หมดไปเพราะยังมีทางเลือกอยู่แต่วันใดสติปัญญากแก่รอบจริงๆเห็นจริงๆนะว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆเลย มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยโลบงปูเทศเคยสอนบอกว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่เห็นถึงขนาดนี้นะถึงจะยอมปล่อยวางแต่ถ้ายังเห็นทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็จะดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆใจที่ดิ้นรนนั่นแหละคือใจที่สร้างภบสร้างชาติใจที่ปรุงแต่งไม่เลิกเมื่อยังสร้างภบสร้างชาติอยู่ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ สตเมื่อใดรู้ความจริงนะของกายของใจที่มันทุกข์ล้วนๆมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้ธรรมชาติคืนโลกนั่นเองร่างกายนี้ก็เห็นแล้วมันสมบัติของโลกชัดๆเลยวัตถุธาตุทั้งหลายเนี่มันของโลกมันไม่ใช่ของเราเริ่มต้นจุดกำเนิดมาจากอาศัยเซลล์ของพ่อแม่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็อาศัยวัตถุธาตุในโลกหล่อเลี้ยงจนตัวโตขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องคืนโลกไปหมดเลยเนี่ย แต่ว่าตอนยังมีชีวิตยอยู่ยังไม่ยอมคืนยังรู้สึกนี้เรานี้เราขึ้นมาภาวนาไปจนเห็นจริงเนีย่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่สันตายนี่คืนได้นะคืนได้คืนโลกได้พอเราคืนกายให้โลกแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะกาย <c oughs> แต่ทํามว่ากายทุกข์ไหมกายทุกข์นะแต่จิตจะไม่ทุกข์เพราะกายาไปเราสลัดคืนจิตให้โลกได้ทําไมคืนจิตให้โลกได้นะ <c oughs> มันจะคืนจิตให้โลกได้สมว่า ลูกไก่นั้นโตเต็มที่แล้วที่เจาะเปลือกออกมาเพราะอะไรก็เห็นแจ้งจิตตัวจิตตัวทารู้นี่แหละเป็นตัวทุกข์สามใดที่ยังเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสงฆบ้างจะไม่คืนโลกวันใดมีปัญญาแจ้งจริงๆนะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์จริงๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ว่ามีทุกข์กับสุข <c oughs> เราเห็นแจ้งอย่างนี้ก็จะสลัดคืนจิตให้โลกอันนี้ฟังยากหนักเขบพี่คืนกายให้โลกอย่างพอเข้าใจได้นะเพราะว่าอย่างเราภาวนาเราเห็นกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันพอเรากายกับจิตเป็นคนละส่วนเรารู้สึกเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุาธาตุที่เคลื่อนไหวไปมาได้อาศัยโลกอยู่แต่ตัวจิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันยากนักหนาที่เราจะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ยากนักหนาที่จะปล่อยวางจิต ยากที่สุดเลยดนะงนั้นจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติมีอยู่สองจุดมีจุดที่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราที่จากภูถุชนขึ้นเป็นพระโสดาบันจุดที่ยากที่สุดอีกจุดหนึ่งก็คือตรงที่จะปล่อยวางจิตเห็นจิตนี้เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเลยก็จะพ้นจากธาตุมาคาขึ้นเป็นตัาาน้งรหันส่วนยากที่สุดมีอยู่สองจุดนี้ แต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในขั้นใดก็ตามการปฏิบัติมีแต่เรื่องการมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันมีเท่านี้เองนะไม่มีทางที่สองเลยไม่มีทางมากกว่านี้เลยถ้าพวกเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วนะต่อไปเราภาวนาเราเข้าใจแล้วเราไปเที่ยวดูเลยหลวงพ่อพาเลยเที่ยวไปดูเถอะมีแต่คนบังคับกายบังคับใจเกือบทั้งหมดนั่นแหละ <c oughs> ครูบาอาจารย์เคยเล่านะหลวงปู่เทศ <c oughs> คนในโลกมีกี่พันล้านตอนนั้นบอกว่ามีสี่พันล้านห้าพันล้านอะไรเงี้ยบอกท่านบอกคนที่เป็นชาวพุทธมีเท่าไหร่บอกเหลือไม่เท่าไหร่ละตอนนั้นเหลือระดับ <c oughs> ไม่กี่ร้อยล้านในจํานวนไม่กี่ร้อยล้านเนี่ยเป็นชาวพุทธจริงๆเท่าไหร่มีนิดเดียวนะชาวพุทธที่สนใจเข้าวัดเข้าวาอะไรเงี้ยมีน้อย พวกที่เข้าวัดแล้วไปเข้าไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่น้อยลงไปอีกพวกที่ศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติถูกต้องได้ผลได้มักได้ผลขึ้นมามีนับตัวได้จัดคนหลายพันล้านเหลือคนนับตัวได้พวกเราจะเป็นคนชนิดไหนล่ะถ้าสติปัญญาเราไม่พอเราก็ตกหล่นอยู่กลางทางถ้าสติปัญญาพอนะเราก็กะเสือกสขึ้นไป การปฏิบัติจริงๆไม่ยากเลยถ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วง่ายที่สุดเลยเพราะไม่ต้องทําอะไรเลยกล้าไหมที่จะไม่ทํายากนะทาไมต้องทําเพราะว่ารักตัวเองจะภาวนาจนหมดความรักตัวเองไม่ใช่ง่ายๆนะมันจะหมดความรักตัวเองแต่เมื่อมันเห็นว่าไอ้ตัวนี้ไม่น่ารักกายนี้ใจนี้สิ่งที่เรียกว่าตัวเองก็คือกายกับใจนี่ ก็มีสติปัญญาแทงทะลุลงไปเห็นว่าจริงๆไม่น่ารักจริงๆมีแต่ทุกข์นะมีแต่ทําความเดือดร้อนมาให้ทั้งกายทั้งจิตเใช่ไหมจิตใจดูสิคิดนึกทั้งวันมีความสุขไหมล่ะใช่ไหมคิดทั้งวันมีใครไม่คิดไหมบางคนมาบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อถ้าดิฉันจะทํายังไงดิฉันเป็นคนคิดมากบอกโม้หน่อยสิเขาก็คิดตลอดเวลาทุกคนแหละมีใครไม่คิดตลอดเวลาไหมไม่มี จิตมีหน้าทนะี่คิดเนี่ยคิดนึกปรุงแต่งทํางานทั้งวันทํางานทั้งคืนไม่ได้หยุดได้พักอะไรเลยเนี่ยถ้าสติปัญญาตามรู้ลงไปเนะี่ยจะเห็นว่าจิตนี่มันทุกข์นะมันทํางานทั้งวันทั้งคืนมันจะสุขเขาไปได้ไงมันหาความสุขจริงๆไม่ได้เลยดูซ้ำซ้ ำ, ซ, ำซ้ำลงไปโอ๊ยมีแต่ทุกข์กายก็ทุกข์กายนี่นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์ใครว่านอนไม่ทุกข์ก็ไม่จริงนะ เวลาเป็นอัมาพาตลงนอนดูสิทุกไหมที่เวลาเรานอนกลางคืนเนี่ยนะโดยทั่วไปนอนสักแปดชั่วโมงอนะไยเนี่ยกลางคืนแล้เราจะพลิกซ้ายพลิกขวาประมาณห้าสิบครั้งนะสี่สิบห้าสิบครั้งลองไปนับดูนะไม่ยากอะไรสำหรับคนที่เจริญสติเขาจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกตัวทั้งนนทั้งวันทั้งคืนอยู่ลนะทําไมต้องนอนพลิกไปพลิกมาเพราะว่ามันทุกข์มันเมื่อย เพราะงั้นีิรยาบทสี่เนี่ยที่เราต้องขยับไปตลอดเวลาแล้วก็เพราะว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิีิยาบทนั่งอยู่ก็ทุกนะต้องกระดุกกระดิกนั่งไปขยับไปขยับมาเดินอยู่ก็ทุกยืนอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกแล้วทำไงก็ทุกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆุกียรยาบทนี่คนไหนหัดอานาานสติถ้าทาได้ถูกต้องก็จะเห็นอีก ความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่หายใจก็ทุกข์ใช่ไหมหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะพอหายใจเข้าแล้วทุกข์เราก็รีบหายใจออกหายใจออกรู้สึกว่าเป็นสุขใช่ไหมออกไปเรื่อยๆสิทุกข์นะเพราะฉะนั้นกระทั่งการหายใจใช่ไหมเราก็หายใจแก้ทุกข์ขยับเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์ความทุกข์ที่บีบคั้นร่างกายทั้งวันทั้งคืน แล้วมันดีมันพิเศษตรงไหนมันดีมันพิเศษสําหรับคนซึ่งไม่มีสติหรอกมันเมื่อยก็ขยับไปแล้วไม่ทันรู้เรื่องอะไรมันหิวว้าว่าอะไรใส่ปากไม่ทันรู้เลยว่าหิวกินจินเข้าไปถ้ามีสติมีปัญญานี่จะเห็นนะมีแต่ทุกขนะ์นในกายนี้ก็ทุกข์จิตใจก็ทุกข์จิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนแถมบังคับไม่ได้ด้วยสั่งไม่ได้เราอุตส่าห์ไปหาอารมณ์ที่ดีๆมาตอบสนอง จนกระทังจิตใจมีความสุขละเช่นเป็นหนุ่มๆก็ไปจีบสาวมามีความสุขละความสุขอยู่กระเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวมันเริ่มทุกขอีกแล้วเพราะมันอยากเรื่องอื่นอีกและ้ะมีหนึ่งคนทุกข์นะสองคนถ้าจะดีเนี่ยยิ่งทุกข์หนักกว่าเก่าอีกหลายๆคนสองไม่ได้ตำราบโบราณห้ามต้องสามก็จะพอ่ายิ่งทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นอาราเยอะขึ้นเรื่อยๆ ไปดูหนังนึกว่ามีความสุขเหรอเผลอเเพลิเลเลเลนเนก็นึกว่ามีความสุขกุ้มใจขึ้นมาไปหาของอร่อยกินนึกว่ามีความสุขเหรอกินไปสักพักหนึ่งมันก็กินไม่ลงความสุขทั้งหลายมุสาดิ้นรนหาหาด้วยการหาอารมณ์ที่ดีมาตอบสนองกิเลสพอหามาแล้วก็ตอบสนองได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็อยากอย า, อยา ก, กอีกก็ทุกข์อีกนี่จิตใจแนละ้วไม่เคยเต็มอิ่ม เมื่อก่อนมีเพลงนะสมัยหลวงพอ่อยังเด็กๆสมเท่าไหร่ไม่รู้จัดเต็มไม่เต็มหรอกเท่าไหร่ก็ไม่พอมีไฟรฟรา้าไหลายคนยิ้มนี่คนเจเนอเรชันเดียวกัน <laughs> พวกใกล้เกษียณ <c oughs> <c oughs> เนี่ยดูลงไปอย่างนี้นะี่เห็นเลยจิตใจเนี่ยโอ้หุดหาหาความสุขมาให้ก็อยู่ไม่นานหายไปละเดี๋ยว <c oughs> ๆความทุกข์ก็มาอีกแล้วก็ต้องดิน้นหนีนะดิ้นรนไปเรื่อย เพื่อจะให้มันมีความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หนีไปอีกวนเวียนซ้ำซากอย่างนี้จิตนี้ทุกข์ล้นล้นเลยจิตนี้ทุกข์ล้นล้นเลยบางคนก็ฉลาดขึ้นมาหน่อยก็ที่ว่าวิ่งหาอารมณ์มาตอบสนองมันนะมันก็สุข่วคราวถ้าเราฝึกจิตฝึกใจให้มันสงบให้มันนิ่งได้มันคงจะมีความสุขมากกว่านี้การหาความสุขด้วยการวิ่งหาอารมณ์ที่เพื่อเพลิพนพอใจนะั้นเรียกว่าวิ่งไปในกาม เป็นการต้องการฝึ ก, กจิตฝึกใจให้มันสงบเขาอยู่ในรูปกับอรูปไปอยู่ในพรหมโลกผลทั่วๆไปและสัตว์ทั่วๆไปก็หาความสุขด้วยก่าววิ่งหาอารมณ์ที่ดีทางตาหูจมูกลินกล้นกายพวกชาววัดชาววาทั้งหลายเห็นว่าหาอารมณ์ทางสับสนองทางร่างกายนี้ยังไม่พอต้องฝึกใจจนพ้นจากการกระทบกระทั่งของอารมณ์ใจเราสงบได้ใครเขด่าเราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ย ใครเข้าชมก็มีความสุขโบนัสมากก็มีความสุขโบนัสน้อยก็มีความสุขว่ามินมินอิ่ ม, มอยู่ในตัวเองคิดว่า น, นี่แหละที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่จริงหรอกนะไม่จริงหรอกมันนิ่งก็นิ่งได้ชั่วคราวหรอกบางคนฉลาดกว่า น, นั้นอีกเห็นว่าระับใดที่ยังต้องระวังรักษาจิตอยู่ไม่ดีหรอกมีภาระที่ต้องดูแลจิตถ้าเมื่อไร่สามารถ หลบหลีการกระทบอารมณ์ไปซะได้เลยจะดีที่สุดไม่ต้องกระเทือนอีกต่อไปจะได้ไม่ต้องรักษากจิตพวกนี้จะปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาเนชาาเนชาที่สังขารอาเนนชาพิสังขารคือหลบเข้าไปอยู่ในอรูปฌานไม่ต้องกระทบกับใครอีกต่อกันล้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับอารมณ์ละสบายอยู่ข้่งหนหรือบางคนก็เพ่งรูปนะเพ่งรูปจนกระทั่งเป็นโผงลุกฟัก ดับจิตลงไปไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ทุกข์ไม่ร้อนละใครตีหัวตอนนี้นก็ไม่เป็นไรนะอยู่ชั่วคราวก็ใส่ออกมาเนี <c> ่ย <oughs> สัตว์โลกวี <c oughs> ่งหาความสุขสามแบบนี้แหละวิ <c oughs> ่งหาความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายวิ่งหา ก, กรรมก็เรียกว่าเป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเรียกว่าอาภุญญาที่สังขาร การที่คอยควบคุมตัวเองบังคับตัวเองเพื่อให้จิตมันดีจิตมันมีความสุขมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านไปเรียกว่าคุญยาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานิโยกการบังคับกดข่มตัวเองทํากายทําใจให้แห้งผากพระพุทธเจ้าห้ามทั้งคู่นะรักเงาของมันก็คืออวิชาเหมือนกันอรากเงาอันเดียวกันคือความรักตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขแล้วแหละ อยากให้ตัวเองมีความสุขพวกไม่ฉลาดหรือพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็วิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินกัดกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าปรุงแต่งฝ่ายชั่วเรียกตามสุขาริการุโยคพวกชาววัดก็ปรุงแต่งฝ่ายดีบังคับจิตให้สงบมีความสุขเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคปรุงแต่งอย่างที่สามเรียกว่าอาเนนชาพิสังขันนะปรุงแต่งฝ่ายอย่างที่สาม ปรุงแต่งโดยการหลีกหนีการกระทบนะอย่างที่เล่าไปกี้เข้าอารูปบ้างเป็นโฟรมรูปฟักบ้างปรุงแต่งทั้งหมดนี้แหละคือการทํางานของจิตเพราะงั้นจิตเราจะดิ้นรนทํางานทั้งวันทั้งคืนนะเพราะมันปรุงแต่งได้ตั้งสามแบบคนทั่วๆไปปรุงแต่งได้อย่างที่หนึ่งพวกที่เข้าวัดเข้าวาปรุงแต่งได้อย่างที่หนึ่งและอย่างที่สองพวกเข้าอารูปได้เข้าโฟมรูปฟักไดนะ้ปรุงแต่งได้สามแบบ ปรุงมากกว่าเขาอีกนะไม่ใช่ปลุงน้อยลงน้อยลงแต่ปลุงประนีตขึ้นไปเรื่อยๆรากเล่าของมันคือเอวิชาความไม่รู้ความจริงของกายของใจว่ากายที่ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกใจนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ว่าจะดิ้นรนยังไงก็ทุกข์ล้วนๆเนี่ยเพราะไม่เห็นความจริงของทุกข์เรียกว่าไม่รู้แจ้งทุกข์สัตจึงเกิดความอยากที่จะให้มีความสุข อยากจะพ้ทุกข์เมอมีความอยากก็เกิดการปรุงแต่งดิ้นรนทํางานของจิตเรียกว่าภพใช่หไหมตัณหาเป็นผู้สร้างภพเมื่อจิต ด, ดิ้นรนปรุงแต่งจิตก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพ <c oughs> ระริยเจ้าหมายถึงพระอรหันต์นี่ยรู้แจ้งในกล่องทุกข์รู้แล้วกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆทายัางไงก็ทุกข์ไม่มีความคิดว่าจะทําให้มันไม่ทุกข์ พยายามรับตรงนี้นะความดิ้นรนความอยากมันจะหายไปความดิ้นรนปรุงแต่งก็จะไม่เกิดขึ้นใจก็เข้าถึงสันติสุขถึงสภาวะธรรมที่พ้นความปรุงแต่งคือนิพพานนิพพานไม่ใช่นิยายหลอกเด็กในขณะเดียวกันนิพพานไม่ใช่ความมั่งเปล่าไม่มีอะไรเลยในขณะเดียวกันนิพพานไม่ใช่โลกอีกโลกหนึ่ง ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไปอยู่ในเมืองนิพพานมีประสาราชวังอยู่แวดล้อมด้วยพระอรหันต์พี่นิพพานแล้วอันนั้นนีิหญ่นะไม่ใช่นิพพานในทางศาสนาพุทธแท้ๆนิพพานคือสันติความสงบของจิตซึ่งสงบจากกิเลสสงบจากทุกข์เพราะว่าพ้นจากธาตุจากขันธ์กิเลสมันอยู่ที่ธาตุที่ขันธ์นี่ทุกข์มันอยู่ที่ธาตุที่ขันธ์นี่ พอสลัดคืนธาตุคืนขันให้โลกนะก็พ้นจากขันก็พ้นจากทุกพ้นจากกิเลสเข้าถึงสันติสุขถึงยังไม่ตายก็มีความสุขนะมีความสุขสุดๆเลยมีความสุขแบบเหมือนสัมผัสทีแรกเหมือนธาดขันมนุษย์จะทนไม่ได้เลยสุขมากในตำราเคยพูดกันว่าพระอรหันต์นะบรรลนะุพระอรหันต์แล้วไม่บวชจะตาย บางตำราเขาว่าตายในเจ็ดวันบางตำราว่าตายในวันเดียวอย่างมิลินาปัญหาก็ตายในวันเดียวบางตำราก็ว่าเจ็ดวันพญามิลินเลยถามพระนักขเษนว่าถ้างั้นอรหัตผลนี่น่ากลัวมากนะเหมือนสัตว์ราวุธเนี่ยใครบรรลุแล้วถูกฆ่าตายอรหัตผลที่ไม่ดีเลยพระนาักขาเษนก็ตอบว่าอรหัตผลดีนะ แต่มนุษย์ต่างหากไม่ดีพอสำหรับอรหัตผลไม่สามารถรองรับคุณของอรหัตผลได้ไม่ใช่เป็นท่ารหัตไม่ดีแต่ว่ามนุษย์นิทนไม่ไหวเองอย่าว่าแต่คารวานะเลยถึงพลาก็เหมือนกันนะปลาก็เหมือนกันเคยได้ยินพราท่านเล่าให้ฟังเนะมื่อมีครูปาจา ร, รุ่นก่อนๆรุ่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น มีองหนึ่งมาบวชอายุคงเยอะแล้วมาบวชนี่ท่านภาวนาอย่างไงท่านก็ไม่จบสักทีตอนเช้าท่านไปเข้าส้วมส้วมของปลาเป็นส้วมหลุมนะส้วมปลาโบราณขุดหลุมผ้า อ, อาไม้กระดานผาาปักหลุมเข้านะถ่ายใส่หลุมนี่ตอนเช้าเนี่ยยังพาะิี่จะไม่ขึ้นไม่ว่ายังไม่ได้อารุณพระต้องมีผ้าสามผืนอยู่กับตัวผ้าไตรต้องอยู่ครบ นี่ท่านเข้าซ่วมยังไม่สว่างแล้วท่านก็ต้องเอาสังขติไปด้วยไปนั่งในส่วมนั่งท่าไหนไม่รู้สังขติตกลงไปในส่วมไม่ได้สิต้องไปเอาใช่ไหมห่างสังขติไม่ได้เกินหัตบาเบาปปีนลงไปในหลุมหลุมคงโตนะลงไปได้แบบเอาไม้พาดได้ลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าในหลุมเนี่ยเป็มไปด้วยนอนเี่ย แต่ว่าไม่ได้ใส่ปูนขาวไม่มีปูนขาวใส่ น, ะนอนเนี่ยก็เริ่มตะเกาะขาท่านยืนอยู่บนกองอึนะแล้วก็นอนไต่ขึ้นมาท่านหยิบสังกติขึ้นมาแล้วก็เอ้ยข ย, ขยักขยงอยากปีนขึ้นมาเสร็จแล้วท่านก็นึกนะว่าเออเราภาวนามาหลายที่นะไม่ได้เรื่องเลยลองมาภาวนานในนี้ดูบ <c oughs> ่าเอาทนมันนะนอนไต่ขึ้นมากระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนะ ขยักขย่งดีกรีของความขยักขย่งเนะ่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะหรื อ, อมันน่าเกลียดน่ากลัวสยดสยองนะนั่นก็ทนเอาหนะ้าทนตามรู้กายรู้ใจนะท่านไปเห็นกายที่ถูกหนอนไต่้วคงเห็นนาะกายมันไม่ใช่ตัวเรานะใครนอนมันไต่วัตถุภาตคงสติปัญญาเริ่มเห็นขึ้นมาจิตใจที่หวั่นไหวกลัวไ อ, อ้จิตใจนี้มันก็ไม่ใช่เราอีกมันทำงานของมันเองกลัวของมันเองเราว่าจะไม่กลัวนะแต่ทำไมมันขยักขย่ง สั่งมันว่าอย่าขยับขยับมันยังขยับขยับ ม, มันไม่ใช่เราไม่เห็นอย่างนี้นะบอกว่าพอนอนใต้ได้ขึ้นตัวท่านก็เสร็จธุระอยู่ในส้วมนั่นแหละนะพอเสร็จธุระแล้วก็ขึ้นมาจากหลุมมาซักสังคติอาจารย์จะไปบินธบารหนึง่งซา ป, ป่าไปบินธบารก็เดินเข้าแถวไปบินธบาร์นี่ลูกวัดนี้มาซักผ่าอยู่ทําไมเขดูเอาไม่รู้จักคาราเทศะไม่รู้จักคาราเทสะ ทำไมไม่รู้เหรอว่าเวลานี้ควรจะทําอะไรท่านบอกงานผมไม่มีแล้วผมไม่มีงานจะต้องทํำนี่อาจารย์บอกนี่มันอดอุตตรีแล้วอวดอุตตรีที่ไม่มีในตนท่านก็เถียงน้ําบอกว่าอาจารย์ไม่เข้าใจหรอกไปหาหลวงปู่มั่นกันให้หลวงปู่มั่นชี้แจงให้หลวงปู่มั่นชี้ขาดเสร็จแล้วถ้าคงไปบินทบาทกันก่อนนะฉันข้าวแล้วก็ออกเดินเลย อยู่ไกลเดินมาสามวันรีบเดินอย่างรีบร้อนเลยมาสามวันวันที่สี่ท่นเข้าไปที่วัดหลวงปูมั่นท่านอยู่ปอดีท่านเห็นแล้วท่านก็ไล่เลยมาทำไมไปไม่มีธุระอะไรกลับไปได้ลนะอาจารย์เลยสยองเลยคนนี้นะหากันกลับวัดนะกลับมาถึงวันวันที่เจนะ็ดท่านก็เข้าุฏิท่านภาวนาวันที่แปดไม่มีแล้วที่ท่านไม่มีภาร ท่านไม่ได้มีวาสนาทางจะอบรมสั่งสอนใครอะไรอย่างนี้นะท่านก็วางภาระของท่านนี่ไม่ใช่เพราะฆราวาสนะพระก็เหมือนกันเพราะจริงๆพระหรือฆรวาสเนะี่ยมันไม่ได้ต่างกันเปลือกเท่านั้นแหละรูปแบบที่ต่างกันแต่จิตใจอันเดียวกันไงเล่าอะไรก็ไม่รู้ เพราะไม่เหลือวิสัยนะที่เราจะภาวนานะเหลือวิสัยอยู่กับครูบาอาจารย์นะอจจะได้ยินเรื่องแปลกๆเยอะนะเล่าหลายวันไม่จบนะอยู่กับครูบาอาจารย์มีความสุขเหมือนลูกมีพ่อมีแม่ลูกมีพ่อมีแม่แต่ถ้าลูกติดพ่อติดแม่ถุกไล่นะเออเป็นลูกแง่แต่ครูบาอาจารย์มังงงท่านใจดี ท่นเห็นว่าถ้าลูกหลานยังยินรียอ่อนท่านยังไม่ไล่ยินสีแข็งแล้วท่านไล่เสียเวลาเสียเวลาหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดนะูลเนอะพอรู้เรื่องจบท่านไล่ทุกทีเลยไปไปทําเอาเราก็รีบกลับลานะเราก็อยากลาอยู่แล้วเราไม่อยากที่นั่งนานเสียเวลาการภาวนานะท่านแรกสุดเลยต้องรู้วิธีให้ได้ก่อนพวกเรามาเรียนวิธีนะช้า ไฟฟ้ามาเรียนวิธีการรู้วิธีการล้ให้รู้กายรู้ใจลงปัจจุบันโดยไม่เผลอไปถ้าเผลอไปไม่ได้รู้กายรู้ใจถ้าเพ่งไว้ก็รู้กายรู้ใจไม่ตรงความจริงเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะลงปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆรู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่เป็นกลางคือมีสัมมาสมาธิถ้าการรู้กายรู้ใจก็รู้ด้วยสติมีสติตามระลึกให้รู้ขึ้นเองไม่ใช่ให้แกล้งระลึก รู้อย่างเป็นกลางใจเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นใจมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นอยู่ต่างหากไม่ถลาลงไปเพ่งจ้องนะก็จะเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงไม่เห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหรอกแรกแรกบางคนอินทรีย์อ่อนหน่อยก็จะเกิดความเบือ่อขึ้นมาบางคนเกิดความเบือบเเบ่อบางคนเกิดความรู้สึกน่าเสียดสยองนะในโลกนี้หาความสุขไม่ได้อีกแล้ว บางคนรู้สึกหวงโหวงทุกอย่างว่างเปล่าไม่รู้จะยึดอะไรดีมีหลายแบบถ้าสติปัญญารู้ลงไปอีกเบื่อก็รู้กลัวก็รู้โหวงโหวงก็รู้นะสักว่ารู้สักไว้เห็นใจก็ตั้งมั่นเป็นกลางช่้นมอีกแล้วก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจไปเรื่อย <c oughs> เห็นได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ <c oughs> เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้เส้นใหวไปเรื่อยรู้จนกระทั่งใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราว สุข ก, ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอุบสนก็ชั่วคราวโลคหลุดหลงก็ชั่วคราวอะไรอก็ชั่วคราวพอภาวนาจนสติปัญญาเกิดว่าทุกอย่างชั่วคราวจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงตรงที่จิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงสุขกับทุกข์ก็เสมอกันดีกับชั่วก็เสมอกันเข้าไปถึงความเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งชั่วคราว ถ้าเป็นกลางอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาที่เรียกว่าสังขารูเบิกขายานจิตจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะสุขทุกข์ดีกับชั่วจะเสมอภาคกันไม่ใช่รักอันหนึ่งเปลียดอันหนึ่งพวกเรารู้สึกไหมใจเรายังรักอันหนึ่งเปลียดอันหนึ่งอยู่ตลอดเวลานี่แหละปัญญาอย่างไม่พอนะให้รู้ลงไปอีกจนกระทั่งเห็นว่าทุกอย่างก็ชั่วคราวทั้งหมดเลยทั้งสิ่งที่เรารักทั้งสิ่งที่เราเปลี่ยนพอเห็นซ้ําลงไปนะจนทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยจิตจะเป็นกลาง เมื่อจิตเป็นกลางเนี่ยคือจุดสูงสุดที่เราจะภาวนาได้ลนะคือจุดสุดท้ายถัดจากนี้ก็คือมรรคผลจะเกิดขึ้นแต่บางคนจะไม่เกิดมรรคผลนะบางคนเมื่อภาวนามาจนเป็นกลางต่อสรรพสิ่งแล้วเนี่ยจิตใจน้อมไปสู่มหากรุณานะเห็นอกเห็นใจสรรพสัตว์ทั้งหลายอยากช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายจิตใจน้อมไปสู่พุทธภูมนะิแล้วถ้าได้พบพระพุทธทเจ้าในวันนั้นท่านก็จะพยายาก่อนให้ว่า อีกเท่านั้นเท่านี้นะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่ถ้าจิตยังไม่เป็นกลางเนี่ยไม่สามารถได้รับทพยากรเพราะจิตยังกลับกรอกอยู่ยังกลัวทุกข์อยู่ยังรักสุขอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่แน่นอนเป็นโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนนั้นใครอยากเป็นโพธิสัตว์ต้องภาวนาอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละรู้กายรู้ใจนะจนกระทั่งเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงจุดนั้นจิตเขาเลือกของเขาเอง ถ้าจะไปพุทธภูมิมันก็จะไปค้างอยู่ตรงนั้นแหละเจะออกมาสร้างบา ร, รมีช่วยเหลือผู้คนไปด้วยจิตที่เป็นกลางนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือท่านอาจารย์สิงห์อาารสิงห์กับหลวงปู่ดูลนี่เป็นเพื่อนกันอาจารย์สิงห์นี่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพธรรมของหลวงปู่มัน่นอาจารสิงห์ในพุทธภูมิมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านอยากละเห็นลูกศิษย์ลูกหานะก็พ้นทุกข์ไปแล้วท่านไม่พ้นสติ ท่านอยากละท่านก็ประกาศเลยว่าถ้าใครแก้ให้ท่านได้ให้ท่านเลิกพุทธภูมิได้ท่านจะหยอบเป็นลูกศิษย์แม้กระทั่งลูกศิษย์ของท่านถ้าแก้ท่านได้ท่านจะนับถือเป็นอาจารย์นี่ใจถึงนะไม่มีไว้หน้าไว้ตานะถ้าเราเป็นอาจารย์เราต้องไว้หน้าใช่ไหมหวางฟอร์มลูกศิษย์พอนายเก่งกว่าเราก็หลอกมันไปเรื่อยๆว่าฉันยังเก่งกว่าทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้เรื่องเลยเยอะนะจาริ่งไม่มีฟอร์มใครแก้ให้ได้ก็เอา นับถือแล้วกฏไม่มีใครแก้ได้จนท่านแก่นะท่านแก่วันหนึ่งท่านก็ปราลบขึ้นมาบอกว่าตอนนี้กําลังท่านมากปัญญาท่านแก่กล้าถ้าท่านละพุทธภูมิเนี่ยนะท่านจะพ้นทุกข์ในเจ็ดวันแต่ว่าท่านไม่ละแล้วใจของท่านเป็นกลางต่อสัพพสิ่งใจเป็นกลางแล้วนะท่านมีความรู้สึกว่ากลับหนึ่งเนี่ยเหมือนวันเดียวสนนรกจะสวรรค์อะไรไม่สนใจละ เสมอกันหมดเลยสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดเลยนี่จิตอย่างนี้มีกําลังนะเดินไปพุทธภูมิใหวถ้าพุทธภูมิเหยาะเหยาะใหญ่ใหญ่ไม่ได้กินหรอกนะพุทธภูมิแต่ปากเลยแต่ถ้าจิตเราเป็นกลางแล้วเราไม่ได้มุ่งพุทธภูมินะเราไม่ได้ทํากรรมชั่วหยาบมาจิตเราจะก้าวกระโดดเกิดอริยมรรคขึ้นมาขั้นแรกมันจะรวมลงก่อนรวมเข้าอัภปนาสมาธิรวมเองโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรวมไม่ได้คิดได้ฝันที่จะรวม รวมโดยอัตโนมัติเมื่อรวมมาแล้วจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับนี้สองขณะบ้างสามขณะบ้างหังจากนั้นจิตจะวางการรับรู้อารมณ์ทวนกระแสะเข้ามาหาธาตรู้เมื่อทวนกระแสะเข้าถึงธาตรู้แล้วสิ่งซึ่งห่อหุ้มปิดบังจิตอยู่คืออาสวะกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายจะถูกขาดสะพั้นออกด้วยกําลังของอริยมรรคนิพพานก็จะปรากฏเด่นดวงขึ้นมาให้เรารู้สึกได้ สขณะบ้างสามขณะบ้างคนไหนซึ่งยินรีไม่แก่กล้ามากตอนที่จิตรวมไปทีแรกเห็นสภาวะธรรมก็จะเห็นสามครั้งแล้วมาเห็นนิพพานตอนได้ได้ได้ผลจะเห็นสองขณะแต่คนที่ยินรีแก่กล้านะเห็นสภาวะทีแรกสองขณะแล้วจะมาเห็นนิพพานสามขณะเห็นยาวกว่ากันเนี้ยยินรีไม่เท่ากันผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เท่ากัน จากนั้นจิตจะถอยออกจากอภินาสมาธินะถอยเองไม่ทรงขัดจากนั้นไม่ทรงอยู่แล้วจะถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วมันจะวนกระแสกลับเข้าไปพิจารณาว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น<ม>ก็แจ่มแจ้งแล้วนะว่าเมื่อกี้นี้ตัวตนอะไรไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนอีกเลยแต่ว่ากิเลสยังเหลืออยู่กิเลสยังเหลืออยู่อีกอยู่อีกเพียบเลย สัสดากับปุถุชนนี่แทบจะไม่มีอะไรต่างกันนะสโสดาละมิจชาทิฏฐิได้เท่านั้นแหละละความเห็นผิดได้ส่วนโรคปวดหลงอื่นๆก็เหมือนปุถุชนนั่นเองเพราะะนั้นสโสดาร้องห่มร้องไห้นะไม่ได้ใช่เรื่องแปลกอะไรถัดจากนั้นก็หมดเวลาแล้วเชิญไปทานข้าว